แล้วก็เชื่อมโยงเข้าหาเกี่ยวในเรื่องของออคือดังที่ได้กล่าวแต่ทีแรกที่บอกว่าคำว่าสังสารวัตนั้นเน่ยจะอธิบายคำว่าสังสารวัตได้ดีที่สุดก็คือว่าอาราหังในบทค ำ, คำว่าหักกรรมแห่งสังสารจักร ในคําว่ายันเจตังสังสาราจกกังก็แปลว่าสังสาราจนี้สังสาราจกก็คืออวิชชาและเพราะวัตันหาทั้งสองตั้งลงแล้วก็ด้วยดีในภายในและภายนอกเป็นอวัยวะที่เป็นรากเหงา้าแห่งการหมุนไปของดุมดุมของล้อรถอออเพราะฉะนั้นน่ะท่านยังบอกว่ามีดุมที่สําเร็จด้วยอวิชชาและเพราะวัตันหามีปุญญาพิสังขารนะปัญญาพิสังขารและเนรญาพิ พิสังขารนะเชื่อมกบ ว, วิชาใช่แล้วก็ตัญหาตลอดถึงมีชรามรณาเป็นปัจจัยเป็นผลกับการที่เชื่อมดุมและกลงกัาไว้เพราะฉะนั้นนะนะตรงนั้นก็มาสรุปอีกทีก็คือว่าปุญญาพิสังขารนะปุญญาพิสังขานะเนะินชาพี่สังขารนะเป็นต้นนั้นเป็นกรรมชรามรณานั้นนะปรากฏโดยความเป็นที่สุดแห่งพบนั้ น, น, นเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าชรามรณะนั้นเป็นกง การทำชราแะมรณะนั้นให้อยู่ในฐานะอะไรให้อยู่ในฐานะเป็นกองเพลามันเป็นเหตุเป็นประธานแห่งการหมุนไปของล้อก็เอาอะไรเป็นเป็นเพลาเอาอาสวะสมูไทยใช่ไหมอาสวุว่าสมูไทยเนี่ยเป็นเป็นกองเออไหมค่ะเป็นเป็นเพลาเป็นเพลาที่สอดเข้าไปในดุมเป็นต้นตรงนี้ก็คือ ท่านกล่าวขุงในรักหนบอกว่ากําจัดเนี่ยซีการเห่งสังสารลักษเนี่ยนะกำจัดซี่การเมืงสังสารจักษตรงนี้จะได้เข้าใจคําว่าสังสารลักษเขาแปลว่าสังก็คือสังสารวัตเนะี่ยสังสารวัตรก็คือการเวียนเกิดเวียนตายถ้าเรียกว่าสังสารวัตรเปรียบเหมือนอะไรเปรียบสังสารวัตรเหมือนอะไร ก็เปรียบเหมือนบอกว่าเหมือนล้อรถที่หมุนไปโดยการกระทำอุปมาที่ว่าล้อรถที่ว่านี้ประกอบไปด้วยดุมลอ้อดุมล้อก็เปรียบเสมือนอวิชาคือความไม่รู้แล้วก็ภาวะตัณหาก็คือความยินดีพอใจในภพชาติอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญโดยความเป็นมูลลากของวัตตะนั้นๆตรงนี้มายาม้ำอีกทีซี่การที่เชื่อมกับดุมล้อกับกงเปรียบเสมือนอภิสังขาร ก็คือปุญญาปุญญาอเนินชาเนี่ยนะคือเป็นสภาพที่ปรุงแต่งหรือตกแต่งให้ไปเกิดกุศลก็แตกตกแต่งให้ไปเกิดในสุคติภูมิอยู่ไหมอกุศลก็ปรุงแต่งให้ไปเกิดในทุคติภูมิอรูปกุศลก็ปรุงแต่งให้ไปเกิดในอรู ป, ปรภูมิเนี่ยเป็นต้น น, นะนะซึ่งเชื่อมกาววิชาและพระวจัะหาเข้าด้วยกันฉะนั้นส่วน กงล้อของรถนั้นเปรียบเสมือนชลาและมรณะโดยมีเพลาซึ่งเปรียบเสมือนอาสวะมีกามมาสวะเป็นต้นเนะี่ยเป็นธรรมชาติที่ทําให้วัตถทุกนั้นเนะี่ยยืนยาวอย่างไม่มีกําหนดเพราเพลาเนี่ยมันใส่เพลาแล้วล้อมันวิ่งได้รถเหมือนกันถ้ารถมีเพลาแล้วมันวิ่งไปได้เกวียนเน่ยนะมีโลภโทสะมรณาทิฏฐิเนี่ยนะ ความเห็นผิดเป็นต้นน่ะธรรมดาองค์ประกอบของล้อรถมีการเชื่อมประกอบกันอย่างนี้เขาเรียกว่าสังสารวัฏก็เช่นเดียวกันคือมีอวิชาและตันหาซึ่งเชื่อมกับอภิสังขารมีปุญญาภิสังขารเป็นต้นเนี่ยอันเป็นปัจจัยสัมพันธ์เข้าไว้กับชรามรุมาลเป็นผลฉะนั้นอภิสังขารคือปุญญาภิสังขารน่ยนั่นเน่ยเป็นเหมือนซี่กกำเนาะที่เชื่อมดุมเข้ากับกงของล้อรถ แล้วก็มีอาสวะเป็นพลาวสอดเข้าไปประกอบไว้ที่รถก็คือพบสามนั่นเองสอดเข้าไปปุ๊บก็ไปอันได้แก่การมาพบรูปประพบอรูปปะพบพระพุทธเจ้าก็ทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้พระบาทคือวิริยะของพระองค์นั้นอันเป็นไปด้วยอาการสองอย่างก็คือป้องกันทำทั้งหลายที่เป็นฝักไฟยยความเศร้าหมอง แล้วก็ให้ตั้งลงในธรรมทั้งหลายที่เป็นปฝักฝายของความผองแพ้วยืนอยู่บนปัตถีคือศีลเพราะศีลจัดเป็นธรรมที่เป็นเครื่องรองรับโดยความเป็นการเป็นปัจจัยของสมาธิและปัญญาใช่ไหมใช้พระหัตถ์ก็คือศรัทธาศรัทธาก็เปรียบเสมือนอะไรเหมือนมือในการถือเอากุศลธรรมทั้งหลายที่ปราศจากโทษจับด้านขวานก็คือพระปัญญาอันหมายถึงมรรคปัญญาที่รับไว้ดีแล้วบนหินก็คือสมาธิ แล้วก็ทําความสิ้นไปแห่งกรรมชื่อว่าทําลายซี่กรรมแม้ทั้งหมดแห่งสังสารจักรนั้นเสียได้ณดินแดนที่ตั้งรู้ใช่ไหมฉะนั้นพระเจ้าจึงได้นำว่าอาระอาระในที่นั้นก็แปลว่าทําลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรอันนี้ก็คือมาทบทวนตรงเนี้ที่บอกว่าท่านก็เลยมากล่าวในลักษณะที่บอกว่าขันทานังปฏิปาติจั ธาตุอายตนะนั่จะอภโขชิ้นนางวัตมานาสังสารโรตีปวุจติอี่มูรุก็แปลความบอกว่าลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่เป็นไปอยู่ไม่ขาดสายเรียกว่าสังสารเรียกว่าสงสารละเรียกว่าสงสารนี่คําว่าสังสารละคือตัวนี้ก็แปลว่าอะไรลำดับของขันระดับของธาตุระดับของอายตนะที่หมุนไปอยู่แล้วไม่ยอมหยุดหมุนตรงเนี้คือสังสารละ แม้ในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยกายกรรมที่เราเคลื่อนไหววจีกรรมที่เปล่งความคิดทุกอนุของความคิดที่คิดอยู่นั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงสังสาระกำลังเดินอยู่มีใครเห็นไหมไหมมีใครเห็นไหมว่าตรงเนี้ยตอนเนี้ยสังสาระมันกำลังเดินอยู่สัตว์โลกนั้นอยู่กันด้วยความมืดบอด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 ถึง อ, อกถ้าถามบ อ, อกว่าเวียนเนี่ยว่ายตายเกิดเนี่ยคืออะไรก็คืออะไรอออะไรอ้เวียนเนี่ยบอกถึงบอกให้รู้ถึงความไม่เที่ยงแท้คงที่ของชีวิตใช่ไมคือไม่ใช่ว่าทุกชีวิตจะได้เป็นอย่างเดิมตลอดไปเนะเข้าใจคาว่าเวียนไหมเวียนก็คือมันไม่ยุดใช่ไหม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 ก็แปลว่าบางชีวิตเนี่ยไม่ได้สิ่งที่หวังเหมือนหวังได้แต่มันไม่ได้หรอก <c oughs> ก็สัตว์เนี่ยไม่รู้แล้วไม่ยอมรับว่ า, าตนเองน่ะไม่รู้ไอ้ <c oughs> ตรงเนี้ยบอดแต่ไม่ยอมรับว่ า, าตนเองบอดมืดแต่ไม่ยอมรับว่ า, าตนเองมืดถ้าถามบอกว่าเมือนอาตมาบอกว่าอาตมาโ ง, ง่เป็นแค่สํานวนเป็นแค่อีเดียม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 ถามว่ามีใครออกจากตาหูจมูกเล้นใหญ่ๆได้ตายจากหมดจากตาหูจมูกเล่นกายใจก็ไปสวมปุ๊บเข้ากับตาหูจมูกเล่นกายใจมันเหมือนอย่างนี้เลยนะสังสารวัตเนี่ยมันคือคุกเราดีๆเนี่ยนะมันคือคุกเราดีๆเนี่แหละเกิดมาปุ๊บก็มาถูกล็อกปึ๊บอยู่เนี่ยนะถูก ถูกจับติดคุกนะอ่ะเพราะออกไปจากภพนี้ปุ๊บแล้วมันก็ไปเข้าคุกอื่นต่อปุ๊บเพราะฉะนั mm ้น hmm. สังสารวัตรไอ้ตัววัดไอ้ตัวพบเนี่ยก็คือมันคุกท่านจะใช้คําว่ากันดานจะใช้ว่าอะไรก็ได้ก็แล้วแต่แต่นั่นแหละติดคุกนี่เนี่ยนั่งๆกันอยู่เนี่ยติดคุกแล้วไม่รู้ตัวนี่สิก็เหมือนไก่เราดีๆเนี่ยนะ ยอมมันรียกเห็นไก่ที่เขาใส่กงเที่วขาใส่ใส่ใส่กงที่เอาไปฆ่าไหมมันรู้ตัวไหมมันรู้ไหมมันรู้ไหมว่ามันติดคุกเวลามันเขาจะเอาไปฆ่ามันรู้ตัวไหมมันรู้ไหมมันขณะที่เขากำลังเอาไปฆ่ามันจิกตีกันอยู่เลยมนุษย์ก็คือไก่เนี่ยคือไก่แล้วดีๆเนี่ยนหะก็เขาจะฆ่าอยู่แล้วยังมัน ของแก่ของฉันกันอยู่เลยเนี่ยเขาใหญ่ยังใช่ไหมนนมันไม่รู้ตัวจริงๆนะเอาหนาไหมหนาไหมหนาใช่ไหมแล้วไม่ยอมถากเนะนี่งหนาแล้วไม่ยอมถากเนะนี่ยเนี่ยมันเหมือนเหมือนเหมือนไก่ มันก่อนนั่งรถไปเขาก็เอาเอาวัวที่จะเข้าสู่โรงข่าสัตว์อัดนั่นกันไปแล้วมันก็ชนกันเพราะมันแย่งที่กันเนู่ไม่รู้ล็อกอีกไม่กี่นาทีแล้มันจะถูกเชื้อดอยู่แล้วมนุษย์ก็อย่างนั้นแหละสังสารวัตเป็นอย่างนี้สัตว์นรกก็เป็นอย่างนี้เปรตก็เป็นอย่างี้อสุรกายก็เป็นอย่างนี้สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอย่างี้มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ เทวดาก็เป็นอย่างนี้พรมก็เป็นอย่างนี้แล้วจะไปเกิดเป็นอะไรอ๋อแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรเขาคอยรับอยู่เลยในขณะที่จุตติเนี่ยเหมือนโอ้เราจะพ้นแล้วปุ๊บก็ไปติดคุกใหม่ปุ๊บก็ไปติดกร็อกคุกใหม่เขาคอยรับเลยอ่ะคอยรับมันเลยเอาไปทรมานตอ่อเอาไปทรมานตอ่อ นี่ไงสังสารวัฏคิดถ้าถ้ามองมองไม่เห็นอย่างนี้นะเรามันชีวิตมันไม่ไม่ดิ้นออกเพธอยังไม่รู้ว่าตนเองโดนแส่โดนหินหวัวเห็นหวัวเห็นควายเห็นหมูเห็นเป็ดไก่ต่างๆเห็นอไบรรยาสัตว์ทั้งหลายโดนแส่โดนหวายเนะี่ยเราก็นึกโอ้น่าสงสารนะแล้วไม่รู้หรอกตอนเองก็กําลังโดนแส้โดนหวายอยู่ มนุษย์ไม่รู้ว่าตนเองโดนแส้โดนไหวเคยรู้ไหมว่าโดนแส้โดนหวทุกวันทุกในทุกในวัฏจุก์ในอดีตเราก็ไม่เห็นเนาะวัฏจุก์ที่จะเป็นในอนาคตก็ไม่รู้และในขณะเดียวกันนี่ทุกในการแสวงหาทรัพย์ก็ไม่รู้ตนเองกําลังถูกแส้ถูกหว ก, ก, ก็ตกลิบลุกมันจะไม่มีข้าวจะ ก, กินเนี่ย ทำงานก็ก่องนะนนะไม่รู้นะว่าตนเองโดนแส่โดนไหวายอยู่ก็เหมือนอาณาสมัยก่อนเนะี่ยอามานิเอาวัวควายนี่บนทุกเวียนนะมันไม่เดินอาณาก็ตีมันใ น, นขณะตีมันก็กินหญ้ามันไม่เห็นทุกหรอกมันไม่เห็นทุกหรอกเอาไปเข้าไถไถนานนะไถป๊ป๊ะโป๊ะไอ้มันก็ทํางานไปเรื่อยกินหญ้าไปเรื่อยก็ตีหลังลายตบต บ, ตบไปเรื่อยนะนก็ไถไปสิ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 เขไม่เห็นทุกข์กันเลยนะมันหมุนกันอยู่เนี้ยแล้วก็เห็นโอ้โหนี่เพะมันหนาขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยคือคือสังสารวัตเนี่ยคือคกุกนนไหนสริงจริงก็นี่มาซ่อมมาดูเหมือนจะดีกันอยู่นี่แหละอี่ก็ออกไหมตื่นขึ้นมาตากระมือ้อยแล้วจะไปไหนกันเนี่ยเพราะหนทางก็ไม่เห็นสิขาสามเดินในใจตอนไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม บุญเป็นวัตคามีนีกุศลที่เป็นไปในวัฏจักรเป็นวิวัตคามีนีกุศลที่จะออกวัจากวัฏจักก็ตั้งเจตนาไม่เป็นเอาละสิตตวเนี้ยนี่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยล้าจะถอนตนยังไงจะถอนตนออกจากวัตจักรยังไงแต่เนี้ยเพราะไม่เคยคิดว่าตนเองติดวัตตะไม่เคยถ้าคนติดคุกคิดว่าตนเอง่ะติดคุกเนะี่ยอันนี้เขาเรียกคนรู้ตัวเข้าใจนะ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 มือคดีสุดท้ายเนี่ยผลประกอตนเองติดยาวมากติดยาวก็คือว่าต้องติดคุกไม่ตามกว่าเป็นห้าสิบกสิบปีก็ไปติดคุกไเสร็จเนี่ยตอนนั้นกว่าจะออกมาในยุทธอะไรไม่เจ็ดสิบกว่าติดยิงยาวนานเลยใช่ั้ยติดคุกจนมีความรู้สึกว่าคุกเนี่ยเป็นบ้านทีนี้เอาเลยสิ ใบเสร็ก็คือว่าเขาจะตัดสินให้พ้นมันจะครบกำหนดอีกแล้วอีกเดือนหนึ่งจะคบกำหนดแกนอนไม่หลับทั้งเดือนเลยแกกลัวว่าแกจะออกจกคอกแ ก, กลัวว่าแกจะจะออกแกคกนอนไม่หลับแล้วทาไงตอเนี้ก็ทำไงเดียก็เลยต้องมีอยู่วันหนึ่งแกบอกอีกแกออกไม่ได้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 นักเข้านักเข้าก็ เ, าเลยบอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าสารก็เข้าใจเขาติดต่อที่ทํางานไว้ให้เบ็ดเสร็จแล้วเกลียกกรอมแกเพราะเขาเห็นว่าความประพฤติแกก็ดีในคุกเนี่ยนะคอยออกไปเหอะผลปรากฏก็เลยต้องให้ออกเบ็ดเสร็จก็ก็ออกพอออกเนี่ยพอปล่อยออกจากเรือนจําเนี่ยแกเดินออกมาแกแกเดินไม่เป็นเนะี่ยแกพอหลุดออกจากเรือนจำเนี่ก็หลงนะ ลงไปเสร็จโอ้โหตายแล้วชีวิตแกจะอยู่ยังไงเอาเลยีเป็นปัญหาหนักมากเลยแกก็ถูกฝากให้ไปทำงานที่ที่หนึ่งใช่ไหมตอนนั้นอายุต้องจะแปดสิบแล้วพอไปทำงานแกโอ้โหแกทำไม่เป็นเลยอ่ะงานก็ให้ทำไปเสร็จก็ไม่ต้องอะไรนะแกไปขออนุญาตเวลาจะเข้าห้องน้ำขออนุญาตเข้าห้องน้ำครับจำไหนแปกีก เขาเขเรียกมาเนี่ยเนี่ยทุกวันเนี่ยคุณเนี่ยต้องขออนุญาตแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำต่อไปไม่ต้องพูดคำนี้นะเอาลละสิอุดอัดแกมากแกก็ไปนั่งเครียดนอนไม่หลับแล้วจะทำยังไงนะเข้านะเข้าแกก็แกบอกอุดอัดนี่แกเขียนระบายไว้หมดเลยนะก็ชีวิตแกเนี่ยถ้าไม่ได้ไปขออนุญาตใครแกเข้าห้องแค่เข้าห้องน้ำเนี่ยแกถ่ายไม่ออกก็อยู่ในนั้นมันจะต้องมีรกติกาใช่ไห จะทำอะไรต้องขออนุญาตหมดเลยอ่ะเป็นไว้แค่นี้ผลปรากฏในที่สุดจริงๆแกอยู่เขาไม่ได้แล้วก็เขาแฝนต่อคอตายแล้วก็เขียนว่าชีวิตแกใช้ไม่ได้แกอยู่ข้างนอกไม่ได้แล้วฆ่าตัวตายนี่ไงต้องการอยากจะบ่งบอกว่าสังสารวัตรเนี่ยมันไม่เป็นคุกในความรู้สึกของสัตว์โลกซะแล้วเนี่ยเหมือนชายพวนี้ นั่นแต่จะออกจากสังสารวัตรเนี่ยออกไม่เป็นเธอแล้วทําไงมันออกไม่ได้แล้วเราจะทายัางไงออกไปก็ตายอย่างเดียวเลยเนี่ยเพราะกลัวอะไรกลัวการออกจากสังสารวัตหนี่สําคัญมากใช่ไหมเราจะเขียนสังสารวัตรเนี่ยถามว่าไอคนประเภทนี้มันเยอะอะ่ะจะเขียนให้ใครอ่านสมมติเนี่ยนะต้องตั้งทงแล้ว เราจะเขียนให้ใครอ่านมองเห็นหรืยังเพราะสัตว์โลกนั้นไม่เข้าใจว่าตนเองเติดคุกและเมื่อเข้าใจว่าตนเองจิตคุกที่ไม่อยากออกจากคกุกก็เยอะเพราะสำคัญว่าที่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่คุกเอาเข้าใจว่าเป็นคกุกไหมเอาอย่างที่บ่ารู้เยอะแยะหมดเนี่ยเอาว่าเข้าใจมันเป็นคกุกไหมทังสารวัตรเนี่ย อันนี้พูดจริงๆเ อ, าเอา้าคุณพันเห็นว่าเป็นคกไหมในความรู้สึกจริงๆเลยนะพูดถึงความรู้สึกจริงๆเลยเนี่ยเน่ยเนยก็ ย, ยังคนติด ถ้าไม่รู้คิดหรือว่าจะออกจริงงั้ออนะะถ้าคนที่เขาถ้าคนที่เขาสําคัญว่าเขาติดคุกจริงๆเนี่ยเขาอยากออกจริงๆลองไปถามคนติดคุกดีเขาอยากออกทุกวันแล้วเราเคยคิดทุกวันไหมว่าเราอยากออกพราะพธิศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยท่านคิดทุกวันท่านคิดทุกวัน ใช่ไหมทั้งบอกว่ามาต้องต้องการชี้บอกว่าหนึ่งเอาตั้งแต่ผู้เขียนใช่ไหมเอาตั้งแต่ผู้เขียนลงไปอะผู้ที่จะเขียนเรื่องเนี้ยที่จะเขียนได้ดีที่สุดผู้นั้นต้องมีความสําคัญว่าตนเองนั้นติดคุกจริงเอาตั้แต่ผู้เขียนเพราะถ้าผู้เขียนยังเสพเสพคําว่าสังสารวัตรไม่ชัดเนี่ยจะสื่อสังสารวัตออกมาได้อย่างไร เข้าใจไหมเนี่ยเหมือนถ้าอาตมาจะกล่าวพระธรรมเนี่ยถ้าอาตมาในใจไม่มีเลยเนี่ยไม่มีพระธรรมเลยอาตมาเอาอะไรมากล่าวอาตมาเอาอะไรมากล่าวถ้าอาตมาไม่เหมือนไฟเผาอาตมาอยู่เนี่ยอาตมาจะร้นหล่นเพราะสังสารวัตร้อนลงลนเพราะถูกไฟไหมใช่ไหมร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทษาไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามารณาโสกกาปรีเดีวะทุกขโทมนะสารเวบายาไฟสิบเอ็ดกองเนี่ยมัน เสมอเหมือนมันเผาอยู่ตลอดเวลาไหมถ้ามันเผาอยู่ตลอดจุลาเนี่ยใจมันอยากออกแล้วมันเห็นอย่างนั้นไหมละ่ะในใจจริงๆน่ยมันได้สัมผัสถึงขนาดนั้นละ่ะสังสารวัฏเนี่ยเป็นภัยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ต้องเดินออกให้ได้คิดทุกวันไม่ต้องไม่ใช่วันวันละหนึ่งครั้งไม่ต้องวัวถึงกลุ่มวอะ เออเนี่ยเนี่ยนียค่คปัญหาคือว่าเข้าใจเข้าปัญหาคืออยู่ตรงไหนหรู้ไหมอย่าไปใช้คำว่าเหมือนต้องใช้คำว่าเรานี่ติดคุกติดคุกคือสังสารวัตรืออใชเพะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนติดคุกเราติดคุกคุกคือสังสารวัตรเลยคุกคือสังสารวัตร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 รับเข้าอีกคุกหนึ่งไปเรื่อยๆเนี่ยนะตอนนั้นพระพุทธเจ้าไปบินดาบาทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์อั น, นมาจำสูตรไม่ได้เลยเนาะไปคนดูพอไปเบดเสร็จก็เจอคนถูกทันธนาการด้วยโซ่ตรวนเพราะทําผิดเข้าลากไปพระก็บอกว่าโอ้โหน่ากรุรามากคีดก็ต้องถูกทันธนาการ ด้วยห่วงด้วยบ่วงด้วยด้วยเครื่องรัดด้วยเครื่องด้วยเครื่องด้วยเครื่องก็จองจำด้วยเครื่องจองจําอย่างนั้นพระเจ้าก็บอกว่าดูก่อนวิศวุทั้งหลายเครื่องจองจำมันนั้นดูเหมือนจะแน่นหนาแต่หลวงตถาคตเนี่ยในพระธรรมวินัยไม่เรียกว่าเครื่องจองจําแต่สังสารวัตรเนี่ยมันเป็นเครื่องจองจำเลยไอ้สังสารวัตรมันเครื่องจองจําเลยเพราะว่ามัน มันออกไม่ได้ไอติดคุกอย่างนั้นไม่ออกได้ด ใ, ออใช่มันก็นยังไปติดคกุกมันเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกใช่ไห ม, มแต่อสังสารวัตเนี่ยจะออกอยังไงนี่ทีเป็นเครื่องจองจําที่หนักกว่านนะั้นอีกเอาลยสิตัวนี้เห็นไหมเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่านี่ไงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเอ้ยตรงเนี้ยทังบอกว่าความไม่รู้สึก เอางี้ออกมาหนึ่งนะคนที่เป็นโรคมะเร็งรู้ตัวว่าเป็นโรคมะเร็งก็เป็นโรคมะเร็งก็ไม่รู้ตัวนะคนเป็นโรคมะเร็งแล้วรู้ตัวก็เหมือนกับคนที่ติดคุกแล้รู้ตัวว่าติดไอคนที่เป็นไม่เป็นโรคมะเร็งแต่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งก็เหมือนคนที่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 ถ้าจะมานั่งคุยกันจริงๆมาแยกแยะ ก, กันจริงๆเพื่อจะมาใส่ใจจริงๆว่าตนเองนะ่ะแย่แล้วไม่เอาหรอกตัณหาก็เกี้ยก่อมอุย้ยคิดอะไรไหมเพลินๆดีกว่าโมหะก็ปกปิดทำให้ไม่เห็นใช่ไหมเอางี้สัตว์เนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้าคุยเรื่องการมมาคุณเนี่ยพวกเราจะตื่นกันหมดเลยในเะนี่ยคุยเนี่ย เอาลองเปลี่ยนเรื่องคุยดิจริงไหมเยอรมาเลจริงึเปล่าถ้าคุยเรื่องกรรมาคุณเนะี่ยมันจะตื่นเต้นขึ้นมาทันดีเลยแต่ถ้าลองคุยเรื่องพระธรรมคำสอนมันจะหลับเลยจริงไห ม, ไมนั้นบงบอกถึงอะไรอ่ะบงบอกถึงว่าจริงๆแล้วใจเรานะั้นน้อมไปในเนคขมมะหรือน้อมไปในขามนีต่ตรงนี้จะเห็นแล้วเอาลองลองลองลอ ง, ลองตั้งหัวข้อเรื่องใหม่ที สมมตว่าจะหยิบเรื่องเรื่องประวัติเรื่องกรรมคุณเรื่องอะไรต่างๆเอามานั่งคุยมันจะตื่นเต้นขึ้นมาเลยใช่ไหมเป็นไหมเอาเรื่องไปเที่ยวเราเปลี่ยนเรื่องดูดิเรื่องไปเที่ยวใช่หมันมันจะตื่นเต้นนันดีนะไอเรื่องไปเที่ยวนเนี่ยแหละก็เรื่องกรรมคุณนั่แหละเรื่องกรรมคุณน่แหละมันมันจะรู้สึกว่าโอ้โหหายง่วงเลยใช่ไหม แต่ต้องคุยธรรมะที่มันจะทําท่ามงากงๆขึ้นมาเนี่ไม่เอาเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้เนะี่ยนี่เราจะได้เห็นว่าโอ้เอาวัวอันนี้ตัวอย่างยินเห็นเลยไม่ต้องไปยกอะไรกันเลยเอายินเห็นเลยว่าเอาใจเราเป็นประมาณเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ขนาดนั้นเนี่ยั่นอย่าอย่าแปลกใจว่าทําไมเวลามาไปกล่าวว่าไม่ค่อยอยากขาวว่าทำเพราะเรารู้ว่าสัตว์เขากําลังหลาบไหล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 ใน ไ, ไหมในสังยุตพระองค์ตัดตอบว่ากับหนึ่งนานนักหนาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะนับเวลาว่าเท่านั้นปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันเท่านี้แสนปีพระก็ถามว่าพระองค์สามารถจะอุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้าคาพระพุทธเจ้าก็ว่าสามารถจะอุปมาได้ภิกษุเปรียบสเสมือนนครหนึ่งที่สร้างกำแพงด้วยเหล็กมีความยาวหนึ่งโยดกว้างหนึ่งโยดสูงหนึ่งโยด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 ไม่ใช่เพิ่มผ่านมาเพียงกลับเดียวไม่ใช่ร้อยกลับไม่ใช่พันกลับไม่ใช่แสนกลับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสาระสงสารเนี่ยการเวียนไหวาตายเกิดนี้เห็นไหมสังสารนี่ก็แปลว่าทั้งเหติมาสังสารละมชิมาสังสาระอุปริมาสังสาระ เข้าใจไหมคํำนี้เหติมัสังสาระก็คือว่าสังสาระในส่วนเบื้องต่ําในใบภูมสี่อ่ะมัชชิมาสังสาระก็คือมนุษย์และสวรรค์ทั้งหลายเป็นต้นอุปริมาสังสาระก็คือพมอรูปพรมการหมุนในในในในการมาพูมิเบื้องต่ําในมัชชิมาพูมิเบื้องกลางแล้วก็อุปริมาภูมิก็คือภูมิเบื้องสูงเนี่ยที่มันไม่ออกอ่ะในสามเด็ดพูมิเนี่ยก็เรียกสังสาระ เหติมะเหติหตมะ <า S 1> สังสาระมก็คือขนาคือสงสารสังสารสง ส, ส, สารตัวนี้ก็คือสังสารวัตที่เรามาพูดกันพูดกันภาษาไทยก็คือการเวียนไห้ตายเกิดทีนี้พอพูดถึงสภาวธรรมก็คือขณะจิตหนึ่งก็มีสังสาระในนั้น พูดถึงล้ำดาผิงการเกิดสืบต่อติดต่อก็คือขันใช่ไหมขันธาตุอายทานะที่เกิดสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายที่เป็นไปในทวานตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้มันมันมันมันเดินตลอดแล้วมันไม่หยุดเดินน่ะมนุษย์เนี่ยเป็นพันนมตะสัตว์โลกเนี่ยเป็นพันนามะตะเข้าใจพันนามตะไหมมันไม่ตายอ่ะเอาดิมันไม่ยอมมันไม่ยอมปรินิพาน เอข้าวไม่ตายอ่ะถ้ามันทุกขนาดหมุก็มันก็มันหมไปทุกข์ขนาดจิตเนี่ยก็ใช่ถ้ามองอย่างนั้น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 สรให้ความโศกความล่ำลายลําพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจมาอย่างยาวนานความพินาศได้เพิ่มพูนป่าเีเป็นป่าช้าตลอดกาลนานที่ไม่พินิพ迦อยู่รูปหนึ่งเนี่ยท่านเอาดินมาพิจารณาเป็นอธิกากรรมฐานเพราะท่านตายมาเนี่ยพื้นแผ่นดินเนี่ยกระดูกของท่านอย่งนั้นท่านเห็นเป็นกระดูกของตัวเองหมดเนี่ยแล้วบรรู้ได้เลยอะอาสิมีแม่อริเหยไปบนวกองแผ่นดินนี่เหยียบก น, น, นยยยบกระดูกพ่อแม่ปู่ย่าตายาย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 น, นี่เนี่ยมาเป็นโต้เป็นเก้าอี้เป็นหนังสือเนี่คือกระดูกของพ่อของแม่ฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นจริงๆเนี่ยน่าร้องไห้ใช่ไหมที่เดินเหยียบก็ย่องก็ย่องกันไปเนี่ยนั่นแหะกระดูกของเราเรามาทิ้งล่างไว้เต็มไม่หมดแล้วตายไปแล้วเป็นดินไหมเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมไหมแล้วกลับมาตายอีกไหม่ไหมกลับมาตายอีกไหม่ไม่ใช่กลับนึง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 ถ้าทำบุญให้ปู่ย่าตายายแล้วก็ดูเ ก, ก็บไว้อันนั้นยังไม่ไม่ครบจํานวนหรอกถ้าจะครบจริงๆกันนั่นแหละแผ่นดินทั้งหมดนั่น อ, อุทิศ ป, ป่ะปู่ย่าตา ย, ายายเราทั้งนั้นเยอะตายไปแล้วก็กลายเป็นกระดูกตายไปแล้วกลายเป็นกระดูกเป็นดินน้าใบลมเนี่ยบางทีเราก็กรดูกปู่ย่าตายายเรามาประดับคอเป็นเพชรมันนานจัดกลายเป็นหิน ใช่ไหมเอาไปโชว์ได้ด้วยนี่ไงสวยงามใช่ไหรือเป็นการอวดรวยซะอีกอวดสวยซะอีกถ้าพูดกันให้ถูกกันนี่ไงกระดูกของปู่ย่าตายายชันสวยไหมนี่กระดูกของฉันก็อยู่ในนี้แหละเมื่อแสนกลับหลายแสนกลับทีแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นเพชรไปซะแล้วคนกันนับถือบูชากันซะแล้วคนกลับไม่สลดสังเวชใจกับกระดูกเม็ด น, นี้ที่ใส่ผูกให้คนดูมองเห็นใช่ไหมอย่างนี้ นี้เห็นไหมแล้วเราสะดุ้งไหมเนี่ยเฉยเฉยเห็นไหมเนี่ยมันเฉยเฉยอ่เลยเอเพราะเราลึกๆจริงๆเราไม่เชื่อเพราะทั้งๆที่เป็นอย่างนั้นจริงๆที่เทียบอกว่าท่านถึงบอกว่าการร้องไห้กันมานานขณะที่เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ชีวิตจะมีแต่ความสุขราบเรีอบตลอดไปแท้ที่จริงต้องก็ประสบกับความทุกข์ตลอดเวลาเนาะ สมัยหนึ่งพุทธเจ้าประธับที่เชตะวันใช่ไหมพระก็ไปถามบอกสงสารนี้อันนี้เรื่องสงสารทั้งนั้นเลยเนี่ยเรื่องสังสารราทั้งนั้นเลยว่าอันนั่นแหละนพีคาสั่งยุทธ์นั่นแหล ะ, หละบอกว่าหาเบื้องต้นและที่ปลายเบืเ้องปลายอันบุคคลรู้ไม่ได้สาส ท, ที่ถูกอาวิชากีีดขวางตั้นหาผูกไว้ก็ท่องเที่ยวเวียนไว้ไป ตายเกิดเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อ น, นั้นอย่างไรน้ำตาที่หลังไหลของสัตว์ทั้งหลายผู้เยนไหวตายเกิดคร่ำควรร้องห้ยอยู่ประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วก็พลัดพากจากของรักของชอบใจเนี้ยกับน้ำแมหาสมุดหมาสมุดทั้งสี่เนี่ยนะอย่างไหนจะมากกว่ากันถามพระ พระก็บอกข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมตามที่พระองค์ได้แสดงแล้วน้ำที่หลั่งไหลของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้เยน็น่หวตายเกิดขำครวนร้องไห้อยู่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลัดพากจากของรักของชอบใจเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากเลยพระพุทธเจ้าคะ่ะคือพระเนี่ยท่านเชื่อพุทธพจน์เชื่อพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบตรงนี้ถามว่าเราเชื่อไหม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 ปัญหาคือว่าเมื่อลองไห้การที่เราลองไห้อย่างนี้เบรศเสร็จแล้วเนี่ยแล้วแล้วถ้าเรามีความเข้าใจว่าน้ําที่มันไหลออกจากตารเราเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรแล้วเราคิดอะไรต่อทีนี้พอถึงคํานี้แล้วเนี่ยไม่เราคิดยังไงต่อก็เราก็อ่านก็เฉยๆใช่ไหม ฟังไปก็เฉยๆแล้วบางทีเราก็ฟังไปก็เห็นไม่เห็นนี่แหละก็จำได้ด้วยแต่มันเคยแบบตึกไปที่ใจแรงๆไหมต้องต่อต้องคิดต่อเออนั่นแหละตรงนั้นไงตรงนั้นก็คือว่าต้องโยนิสโสบอกว่า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 มันได้วิมุตติสาระไหมมันได้วิมุตติญาณทัศนาสาระไหมเพราะสาระมันห้าอย่างเนี่ยเพราะสาระที่สูงสุดคือนิพพานมันไม่ได้สาระเหล่านี้ที่เราบอกว่าเราจำกันได้โอ้ไม่เป็นสาระเลยล้องไปเราก็ไม่รู้ว่าไอ้อะไรมันคือสาระอะไรคือไม่ใช่สาระ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระอะไรไม่ใช่สาระก็อีกจบเลยเราได้จะพูดว่าสาระนี่พูดเนี้ยไม่มีสาระคำพูดเนี่ยถกแต่ความเข้าใจน่มันผิดเข้าใจยังว่าถูกพูดถูกแต่ความเข้าใจผิ ด, ดก็ปัญหาตรงนั้นน่มันไม่ใช่ไงหยุดก็คือเปลี่ยนอล้วลมันก็หยุดได้อยู่แล้ว งั้นตรงนี้ก็คือว่ามันจะต้องพิจารณาถึงบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ศีลสาระเลยนั่นคือไม่มีสาระศีล ส, สมาธิปัญญ า, า, าวิมุตม ต, วติวิมุตติญาณทัศน์ศนะวิมุตติก็คือความหลุดพ้นเนี่ะ ว, วิมุตติญาณทัศนะคือปัจเวกนะ เพื่อจะได้ไปสู่ถึงนิพพานที่เป็นสาระที่ดับทุกได้เป็นอนุปาทาปรินิพพานไปฉะนั้นเราจะต้องโยนิสุธิ์ในในใ น, ในสาระ น, านั่นี้ใช่ก็คือน้อมก็หาสาระให้ได้ว่าเราไม่ได้สาระเหล่านี้ขืนเราทําอย่างนี้เราจะไม่ได้สาระเหล่านี้เลยปุรุชนที่ขาดปัญญาเนี่ย <c oughs> ก็เรียกว่าไม่รู้จักสาระ <c oughs> พอพอไม่รู้จักสาระนะอาตมาอาตมาจำพุทธพจน์ไม่ได้นะสาโลสาระมะติไอ้มติโนเป็นต้นนี้เนะี่ยจำไม่ได้ในธรรมบท <c oughs> ในธรรมในในธรรมบทคืออย่างนี้โดยหลักตรงนั้นก็คือว่าสรุปนะสรุปจำความได้คือว่าคนที่อืม คนที่ไม่รู้วาสาละไม่เข้าใจเรื่องสาละก็จะเป็นผู้มีมิจฉาสังฆปาเที่ยวไปใช่ไหมพอถ้ามิจฉาสังฆปาออมามันก็ออกจากแล้วก็คือดํารีผิดพอดํารีผิดเนี่ยนะก็มาจากคาว่าอโยนิโสด้วยพอดํารีผิดเนี่ยความคิดจะผิดหรือถูกผิดเมื่อความเมื่อดํารีผิดเนี่ยดํารีในใจผิดแล้วเนี่ยการเปล่งวาจาจะผิดหรือถูกเป็นมิจฉาวาจา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 ท่านผู้นั้นน่ะมีมิจฉาสังกโปเอ่อสังกโปมิจฉาสังกปะหรือมิจฉาสังกสังกโปอ่ะมิจฉาสังกโปเนี่ยเป็นเป็นเครื่องดําเนินไปมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจใช่ไหมว่าไอ้มิจฉาสังกโปเนี่ยมันก็เป็นเป็นโคจรเข้าใจคำว่าเป็นโคจรไหมเป็นที่เที่ยวไปของท่านผู้นั้นท่านผู้นั้นก็เที่ยวไปกายกรรมเคลื่อนไหวออกไปก็มีมิจฉาสังกปะเป็นตัวขับเคลื่อน วจีกรรมเปล่งออกไปก็มีมิจฉาสังกปะเป็นตัวขับเคลื่อนคิดนึกแต่ละครั้งก็เป็นมิจฉาสังกปะอยู่แล้วก็มีมิจฉาสังกปะเป็นโคจรไม่แต่คนที่เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลเหล่านั้นก็ทำตนเองให้เข้าถึงสาระมีศีระสาระเป็นต้น กลุมบุคคลเหล่านี้ก็มีสัมมาสังกัปปะเป็นเป็นตัวดํำริเป็นตัวเที่ยวเป็นตัวโคจรไปสัมมาสังกัปปะเห็นไหมสัมมาสังกัปโปนั่นเองความดํำริถูกใช่ไหมก็ทําให้เกิดความเข้าใจถูกคือเห็นถูกพอการเข้าใจถูกเห็นถูกเกิดขึ้นการเปล่งวาจาออกมาก็เป็นสัมมาวาจาการเคลื่อนไหวทางกายก็เป็นสัมมากรรมันตะอาชีพของเขาก็เป็นสัมมาอาชีวะความเพียรของเขาก็เป็น การระลึกของเขาก็เป็นใช่ไหมการตั้งจิตมั่นของเขาก็เป็นแล้วเขาก็จะมีสัมมาวิมุตติคือการหลุดพ้นที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้ะมันจะเป็นอย่างนั้นธรรมะต้องเป็นต้องมองตลอดสายได้ทั้งมันเดินไม่ถูกจะเดินถูกได้ยังไงถ้าเดินไม่ทะลุทะลวงอ่ะนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าสังสารวัดเนี่ย ถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นคุกเนี่ยมันเป็นสัมมาสังกัปะเป็นความดำริถูกแล้วจะน้อมเข้าไปหาสาระที่ถูกต้องมีศีรลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระแล้วก็วิมุตติญาณทัศ น, า ส, นาสาระแต่ถ้าไปเข้าใจผิดทั้งๆที่เมรหน้าเบือ่อเนาะสังสารวัตนี่การเวียนยไหวใจเกิดพูดกันแป๊บๆในคลองเนี่ย มันก็จะมีมิจฉาสังกปะเป็นโคจรแล้วก็จะประสบสิ่งที่ไม่เป็นสาระมันก็อยู่กันอย่างนี้แล้วก็เพลิดเพลินกันต่อไปแต่ปากก็โอ้หน้าเบื่อเนาะคนนั้นหน้าเบื่อคนนี้หน้าเบือเอนนนนเบ่ อ, นน เ, อเลี้ยแย่ไปหมดบ้านกันหน้าเบือ่อไปวัดกันหนบกนหน้าเบื่อไปโูจาครก็น่ามีไม่หน้าเบื่ออยู่คนเดียว คือบางครีตนเองก็ น, น่าเบื่อเนะีแต่ความคิดนะี่ไม่น่าเบื่อเห็นไหมยังเห็นความคิดมีสาระอยู่เข้าใจไม่เนี่ยพัยักเขาไม่ให้ไปยักหน้าครับหรือไม่คาบก็บอกไปเข้าใจไมหมเนีเ่ยเนี่ยแล้วต้งบอกว่าชีวิตของเรานะ่ยมีสาระไหมมีที่ไหนล่ะจะศึกจะอะไรต่างๆร้องไห้ทุกวนัน เธอทั้งหลายเนะที่บอกว่าความเข้าใจนะที่บอกว่าข้าพระ อ, องค์รู้ตามธรรมของพุทธเจ้าถูกละเธอทั้งหลายรู้ตามธรรมที่เราแสดงอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ําตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้เยนไหวท่องเที่ยวขําครควนร้องไห้ยอยู่ที่ประสบชาติทุทกชราทุกมรณะทุกโศกกาลวันดวัทุกขโทมนาาะสารุปายาตเป็นต้นพัดทากจากของรักของชอบใจในการนี้แหละมากส่วนน้ําในหมหาสมุทรนั้นไม่มากเลย น้ำนี่มาเธอทั้งหลายได้ประสบความตายของมารดามาช้านานน้ <S <s ําตาก็หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายประสบความตายจากมารดาก็ค่ําครวญร้องไห้ประสบจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจมากกว่าน้ําในมหาสมุทรนะเธอทั้งหลายได้ประสบกับความตายของบิดาประสบกับความตายของพี่ชายประสบความตายของน้องชายการประสบกับความตายของน้องสาวของบุตรของธีดาความเสื่อมญาติ ความเสื่อมจากโพคะความเสื่อมจากโรคมายอย่างช้านานน้ําตาที่หลังไหลของเธอทั้งหลายผู้ประสบความเสื่อมจากพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายบุตรธิดาความเสื่อมจากญาติเสื่อมจากโพคะความประสบความเสื่อมเพราะโรคภัยแค่เจ็บที่เธอต้องข้ามควรร้องไห้อยู่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลัดพรากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจมากกว่าส่วนน้ําในหมหาสมุทรไม่มากเลยข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารสังสารวัตรนี้มีเบื้องต้นและเบื้อ ง, ลองปลายอันบุคคลรู้ไม่ได้ที่สุดของเบื้องต้นที่สุดของเบื้องปลายแม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชาคือความไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในทุกกระสูมไทยไม่รู้ในทุกขคณิโรดไม่รู้ในทุกขคณิโรธคารมินีปฏิปทาใช่ไหมไม่รู้ในขันาตอเยตนะที่เป็นไปในอดีตไม่รู้ในขันอเยตนะท่าที่จะเป็นไปในอนาคตไม่รู้ขันอเยตนะท่าที่กําลังเป็นไปในปัจจุบันด้วย ไม่รู้ปฏิจจสม บ, บาทิทอมไม่รู้เนี่ยก็เลยไม่เข้าใจว่าตนเองถูกชาติทุกชราทุกมรณะทุกเที่ยวกินห่อมหันอยู่นี่จะไปกลัวอะไรอกลัวอะไรอ่ะป่วยก็ไปหามหมอไตายก็เผาก็ตายกันทุกคนแหละบุงใช่ไหมก็ไม่ต่างอะไรกับสับเ ป, ปลือ ทำกิจในการเผาศพก็เล่นไปวันวันนู้นอาจะไปงานศพหน่อยไปทงตัวเป็นสับปปเหลือแต่ไม่เคยสะดุ้งสะเทือนเลยเนะยใช่ไหมสับปปเหลือก็รอ้อยวันนี้จะได้ค่าจ้างจากการเผาเท่านั้นทุกวันนี้ไปงานศพก็ไปอย่างสับปปเหลือไปไปได้รู้จักเนาะตอนปู่ย่าตายายเราตายเองก็จะได้มาเผาแล้วไปเพื่อมีความหวังตรงนั้นหวังหวังทรัพย์ แต่ราบก็คือหวังจะได้บริวารแล้วมันจะได้สะดุ้งสะเทือนอะไรเป็นงั้นไหมล่ะพาาก็เออได้สวดแล้วมึงพาก็ได้สวดงานสองโมงทำให้วัดขึ้นเพลงหน่อยใช่ไหมสับประลโอ้โหต้องเดี๋ยได้ไหมต้องเี๋สับประหล่บน <decir> <one> <quotes> วันก่อนไปเจอซาบะเลยบนอะไรรู้ไหมโอ้โหวัดนี้ไม่ก็มีศสกเลยซอบะเลยบอกก็เป็นถ้ารออาชีพซาบะเลยอย่างเดียวก็จนเนี่ยวันนี้อย่าไประบุดิเหมือนถึงบอกนานๆจะมีคนตายดีว่าก็บอกว่าปีนึงแม้ตายแค่สี่ศพโอ้โหไม่ไหวก็บอกว่าเจ๊งต้องต้องต้องไป เขาไม่เคยสะดุ้งสะเทือนเลยเนี่ยเขาไม่เคยสะดุ้งสะเทือนเลยเนี่ยยันพวกเราเนี่ยนะพวกเราก็เลยทําตัวเหมือนสับเปลือยไปงานศพก็ไปแบบสับเปลือยเออเขาโอ้ยตอนนั้นญาติเราเสียเข้ามาแล้วก็ไปใช้หนี้ก็ไปเพื่ออไปทําหน้าที่เพื่อ เนี่ยต่อต่อไปแล้วเวลาเขาตายก็ยจะมางานศพนี่งไงถามว่าเราต่างจากสั ป, ปเลอไหมไม่มีสาระริจริงอา้าวเราเราเราก็ไปไปงานศพกันมามากแล้วจริงๆเคยเคยเห็นโทษของสังสารวัตอย่างรุนแรงไหม ไปงานศพนะฉะนั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอย่างเราก็คือไปงานศพแบบสับเปลือไปเราก็เป็นสับเปลือไปดูศพเพรอสับเปลือยนั่นก็ดูศพแล้วเขาไม่สะดุ้งสะดือนหรอกเขาไม่กลับมานอนไข้ควรพิจารณาว่าเราจะออกจากสังสารวัฏอย่างไรน้อ ก็ออกมาถ้าจะใคร่ควรก็ใคร่ควรเนอะเดี๋ยวเราจะจากไปะแล้วเนี่ยเราทําบุญได้บ้างแล้วโดวยมากคิดสูงสุดแค่แค่นะไม่เคยคิดว่าเราจะออกจากวัตฏะได้อย่างไงเราจะพ้นจากการตายอย่างท่านผู้นี้อย่างไรท่านผู้นี้แต่ก่อนเนี่ยเคยทําบุญกุศลอย่างเราได้แต่ปัจจุบันท่านทําไม่ได้และกายตายของท่านเสียหายมากเพราะท่านตายด้วยความเป็นบุรุชนถ้าการเป็นบุรุชนตายเนี่ยมันก็ไม่พ้นจะต้องไปเกิดเมื่อไปเกิดก็ไปแก่ไปแก่ก็ไปเจ็บไปเจ็บก็ไปตาย วนเวียนไปมาอย่างนี้ไม่มีสีลาสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุติสาระลุมมุติยานัทสนาศาระเกิดขึ้นในกระแสขันเขาก็พ้นจากสังสารวัติไม่ได้ก็ก็แต่ แม่ก็ไม่ทราบอาจจะมาดูแลตัวเองพอแล้วแต่ถึงม่ว่าฟไงีไม่ต้องถามปเด็นถามคุณยายคาทีอยู่อยู่ง้เ็นยานสัองเขาไปไม้แก่แล้วอย่างนี้เขาเรียกหน้าที่ ในนี้คือหน้าที่อ่านั่นแหละเป็นหน้าที่หน้าที่ในลักษณะอย่างนี้ก็คือทำตัวเป็นสะเปลือกก็ไปนั่นนะถูกแล้วแต่ที่พูดเนี่ยที่พูดว่าการไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูก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 เธอทั้งหลายเนี่ยสงสารนี้มีเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายแม่ปรากฏแกเราสัตว์ผู้ถูกอวิชากีดขวางผูกตัญหาผูกไว้แล้วก็ท่องเที่ยววนวายเวียน ว, วายตายเกิดเธอได้สวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัจพีเป็นป่าช้าตลอดการนานหมายความว่าเธอตายสักคนหนึ่งก็ทาให้แผ่นดินสูงขึ้น ก็ทับถมแผ่นด tamam ินสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนผืนแผ่นดินทั้งหมดนี้ก็คือนั่นแหละซากของเธอทั้งหลายนั่นเพียงพอหรือยังที่จะเบื่อหนายพวกนั้นถ้ายังเพียงพอฉันก็เลือดที่หลังออกมาจากการถูกตัดคอเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรใช่ไหมทีนี้ กรณีที่เราทั้งหลายที่ถูกฆ่าถูกตัดถูกเจาะถูกจองจาจนเลือดที่ไหลออกจากลาคอเนี่ยรวมกันแล้วมากกว่าในน้ำหมาสมุทรสมัยหนึ่ง พ, พระเจ้าประทับที่ไหนที่เวรุวันในตัดเรื่องเจ้าภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณสามสิบรูปว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ ที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าศาสตร์ผู้มีถูกกวิชากีดขวางตันหาผูกไว้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไนโลหิต ท, ที่หลังไหลจากคอจากศรีรษะของเธอที่ถึกถึกถู ก, ถ, กถูกตัดศรีรษะเนี่ยนะที่ท่องเที่ยวโดยการอานยาวนานเนี่ยกันน้ําเนื้อสมุนเนี่ยเลือดที่ไหลออกจากลำคอของเธอเนี่ยอย่างไหนมันจะมากกว่ากัน พระก็บอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ตามธรรมดีพระบรมศา ส, าสดาทรงแสดงแล้วว่าโลหิตที่ไหลหลังไหลของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ถูกตัดศีรษะที่ข้าพระองค์ท่องเที่ยวเยียนไหวาตายเกิดในสังสารวัตเนี่ยมีมากกว่าน้ําในหมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากเลยพระพุทธเจ้าข้าพพุทธเจ้าก็บอกว่าถูกแล้วถูกแล้วสาธุถ้าเธอเห็นอย่างนั้นนะสาธุสาธุสาธุ ดีแล้วเพราะเห็นอย่างนี้เห็นถูกดัมบีอย่างนี้ก็ดัมบีถูกพูดแบบนี้ก็พูดถูกเข้าใจอย่างนี้ก็คือเข้าใจถูกเมื่อกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมของเธอน้อมไปจะออกจากสังสารวัฏเนี่ยเธอก็ประพฤติกรรมที่ถูกเป็นวิวัตรคามีนี้ ถ้าเธอน้อมไปในลักษณะอย่างนี้จะเป็นปัจจัยในการให้เธอไม่ถูกจะได้ไม่ไปถูกตัดคอในอนาคตในสังสารวัฏถ้าเธอยังตายจากการเป็นบุรุชนอยู่เธอก็จะไปถูกตัดคอไปถูกตัดคอทีนี้เธอทั้งหลายเคยเกิดเป็นโคเห็นไหมบอกว่าเธอทั้งหลายเคยเกิดเป็นโคเนี่ย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 แล้วเธอทั้งหลายน่ะเคยถูกตัดคอเพราะการถูกเป็นโคที่เขาเอาแหนหนังเอาเนื้อเธอไปกินเนี่ยมากกว่านั้นเลือดของเธอที่ไหลออกจากคอที่การเกิดเป็นโคอย่างเดียวเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรนี่พุทธพศผู้เจ้ามีปัญญาดีไหมผู้เจ้ารู้ทะลุทะลวงไหมถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยจบแล้วนี่ไงผู้เจ้าสอนทุกข์ศาสตร์ให้เห็นโทษของสังสารวัตร ให้สะดุ้งเทือนเือนในสังสารวัฏโหมไม่ใช่ไม่ใช่แสนอัตภาพใช่ไหมเป็นโคอย่างเดียวที่ถูกตัดศรีรษะเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่กลับเดียวไม่ใช่สองกับมากกว่านั้นโอ้โหนึกกรุณาตัวเองมอหะเ๋ยวก็ถูกจับล็อกกตอ็ตัดคอทุบหัวตัดคอเอาเนื้อมากิน เลือดก็ไหลปัดปัดั ด, ดไม่เกิดเป็นหมูเงี้ยก็ถูกแทงล้องดิน้นกึกกึกเงี้ยเลือดที่หลังจากคอหมูตัวนั้นอะมากกว่า น, น้ําในมหาสมุทรเคยเกิดเป็นไก่เงี้ยถูกตัดคอแล้วถูกตัดคออีกถูกตัดคอแล้วถูกตัดคออีกเนี่ยมากกว่านั้นเนี่ยในสังสารวัตมันเป็นอย่างงี้ ภิกษุทั้งหลายทีบอกว่าเธอทั้งหลายเคยเกิดเป็นแกะเกิดเป็นแพะเกิดเป็นเนื้อเกิดเป็นสุกรและเกิดเป็นไข่เออเกิดเป็นไก่นี่นะเกิดเป็นกระบื้อซึ่งถูกตัดศีรษะมาอย่างช้านานโลหิตที่หลั่งไหลออกก็มากกว่าน้ําในหมหาสมุทรไล่ไปเถอะทีนี้วิธีเกิดความสะดุ้งสะเทือนสังสารวัตรใช่ไหมวิธีก็หมายความว่าว่าเราเดินไปเห็น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 น้ำเลือดที่ไหลออกจากคอมากกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดไปนั่งคิดไปเอามาคิดไม่เห็นก็เอามาคิดถ้ายัางไม่ใช่เทียนโทษถ้าไม่เคยคิดจนไม่มีทางพูดเดี๋ยวนี้ยังคิดไม่ออกเลยอะ่ะต้องเอาไปคิดดูทีไปนั่งคิดไปนั่งตรึกเอาสูตรไปอ่านและสาธยายบ่อยๆ ทั้งอ่านทั้งสาทยายทั้งตรึกทั้งไข้ควรทั้งพิจารณาแล้วก็ดูปัจจัยต่างๆที่แวดล้อมนี่ถ้าไปแวบแวพรแว บ, วบอย่างทุกวันนี้นะวันนึงเปลี่ยนอารมณ์เป็นล้านอารมณ์เลยยากยากเพราะมันเยอะมากเดี๋ยวค่าท่าจะคิดเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนั้นก็ฟึดเข้ามาก็ไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็ฟึดเข้ามาก็ไปเรื่องนั้นฟึดเข้ามาแล้วจะมีลึกซึ้งสักเรื่องไหมชีวิตนึง เสียใจก็เหมือนไม่เสียใจดีใจก็เหมือนไม่ดีใจก็การการหัวลอกคือการร้องไห้เนี่ยไปทำวินัยนี้จะต่างอะไรกันต่างอะไรกันในขณะที่นั่งหัวลาอมันก็คือความก็คืออภิชาร้องไห้ก็คือโทมนัสแล้วมันจะทำให้บริสุทธิ์ได้ไหมละ่ะอภิชาและโทมนัสเนี่ยมันบริสุทธิ์ไม่ได้ มันไม่ใช่หนทางความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพราะไม่ใช่เอกายโนยังพิคเวมาโคใช่ไหมไม่ใช่หนทางไม่ใช่หนทางะคะนั้นเราเห็นหัวเราะก็คือการร้องไห้ก็คือการร้องไห้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 ได้รับความโศกความล่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคลาบแค้นใจได้ประสบความเผ็ดร้อนความพินาศเพิ่มพูนปัจจที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานตอนเนี้เรายืนเราเดินไปในเดินบนบนป่าช้าปัจจัทุกชิ้นนะนั่นคือป่าช้าของเหล่าสัตว์ให้เข้าใจง่ายอย่างนั้นคือเหยียบไปบนทุกขสัตว์หมดเลยนอนอยู่บนทุกขสัตว์หมดเลยนั้นที่เราเหยียบที่เรากอดที่เรา ชื่นชมต่า ง, างๆนั้นคือการชื่นชมทุกสัตว์นะเพื่อเพลินทุกสัตว์ยินดีทุกสัตว์พอกพูนทุกสัตว์เมื่อเห็นทุกสัตว์ด้วยความเป็นสุขไม่ใช่ฐานะที่สัตว์เหล่านั้นจะพ้นทุกข์ไม่ใช่ฐานะเราเพิดเพลินเรายินดีเราบูชาทุกสัตว์เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร เพราะทุกขสัตตนั้นเป็นธรรมที่ควรตําหนดรู้ควรรอบรู้ไม่ใช่ควรบูชาไม่ใช่ควรยินดีไม่ใช่ควรเพลิดเพลินไม่ใช่ควรโทรมนัสกับสิ่งนั้นดงนั้นถ้าอภิชาหรืโทมนัสเกิดในขณะที่เรามองเห็นทุกขสัตต์ไม่ใช่หนทางต้องเห็นอสาทะโดยความเป็นอสาทะของทุกขสัตต์เห็นอาทีนาวะ้วยความเป็นอ า, า, าอทนอาีนว ะ, ววนนวะแล้วก็ต้องเข้าใจนิสรณะที่เป็นเหตุ เพื่อจะเข้าถึงนิสสระที่เป็นผลมันจะชัดนั้นทุกวันนี้เราเกี่ยวข้องกับทุกข์สัตว์แล้วเราได้อะไรจากทุกข์สัตว์นอกจากอภิชาและโธมนานั้นถ้าเรายังอยู่กับอภิชาและโธมนานั้นกับทุกข์สัตว์ถามว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ทุกข์สัตว์ไห รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ทุกข์กษัตริย์ไหมหญิงและชายเป็นต้นใช่ทุกข์กษัตริย์ไหมเห็นไหมโลกใบนี้ใช่ทุกข์กษัตริย์ไหมสิ่งที่เนื่องกันโลกใบนี้ใช่ทุกข์กษัตริย์ไหมเอาละสิแล้วเราอะ่ะไม่อวิชาก็โทมนานะกับโลกใบนี้ทั้งภายในและภายนอกเรานั้นเป็นสาสติ์ทีกอดอยู่กับทุกข์กษัตริย์ชื่นชมอยู่กับทุกข์กษัตริย์หลงไหลอ ย, อยู่ในทุกข์กษัตริย์มัวเมาอยู่ในทุกข์กษัตริย์เพลิดเพลินยินดี แล้วมันจะพ้นทุก์ได้อย่างไรไม่ใช่ฐานะเลยก็เราไปยินดีในสังสารวัตไปยินดีในวัตานี่หรือคือสัตว์ที่จะพ้นจากสังสารวัตรใช่ไหต้อง ต, ต้องทำการบ้านยังใหญ่โตเลยต้องทำการบ้านอย่างใหญ่โต ไปนั่งวิจัยใหม่ว่าเรื่องนี้เรื่องใจทำยังไงให้คนเห็นโดยความเป็นทุกข์ช่วยกันทีนี้การจะทำให้คนอื่นเห็นนั้นตนเองต้องเห็นก่อนต้องเห็นก่อนต้องเห็น ต, ต้องเข้าใจว่าเป็นเขียนยังไม่ได้เลยเขียนก็มันยังเครีแข็งอยู่ต้องเข้าใจตรงนั้นนะ้ นี่แหละคือคือเกี่ยวในเรื่องของสังสารแล้วะทีนี้ไปดูอีกบทนึ่งบทที่บอกวิชาจารณาสัมปันโนได้ว่าเมื่อวานนี้แล้วสัมมาสัมพุโทโธนั่นว่าไปแล้วเนะาะอวิชาจารณาสัมปันโนนะเป็นพูดถึงพร้อมด้วยอะไรนะวิชาและจรณะ ออในที่จริงเ่ตรงเนี้ยก็ไล่ๆไปอย่างนั้นเองนะแต่โดยมากก็คือโดยหลักก็คือว่าวิ ช, ชาแปดนะแล้วก็เจรนาสิบสิบห้าในคำภีในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายนี่นะี่ย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 ยาในทุกยาในทุกขสมูทายยาในทุกขนิโรธญาในทุกขานิโรธคาับมีปฏิปทายาหรือปัญญาในอัฏฐปฏิสัมพิทายาในธรรมปฏิสัมพิทายาในนิรุตติปฏิสัมพิทายาในปฏิภาณปฏิสัมพิทาใช่ไหมยาในความยิ่งในความหย่อนของอินทรีย์เนอะยาในฉันท่าที่เป็นที่นอนมาและกิเลสเป็นเครื่องนอนมาของเหล่าสัตว์ยาณในยมกับปฏิหารยาในมหากรุณาสมาบัติ สัพพัญญุตญาณ น, นาวนาดานบัญญัตพุทธญา14เหล่านี้นะพะยาณ8อย่างข้างต้นเป็นพยานที่สาวกทั้งหลายสามารถที่จะบรรลุได้เช่นญาณในทุกญาณในทุกขสมุทัยญาณในทุกขานิโรธญาณในทุกขานิโรธคาวมินิปบรปทาใช่ไหมญาณในอัฏฐ ธ, ธรรมนิรุตติปฏิพานะแปดอย่างอันนั้นใช่ไหมอันนั้นสาวกก็มีได้แต่มีได้ไม่บริบูรณ์นะ แต่ส่วนอาสาธนายาณก็คืออาสยานุสยญ า, านอินตรียาปรโรปเรียติญานยมกัปปติหาริยญ า, านมหากรุณาสมาปัติญานอนาวรณญาณแล้วก็สัรพยุตยานนั้นเราสัตว์มีไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าตนนั้นอันนี้เป็นอาสาธนาญาณหกเนาะในรายละเอียดก็ไม่ต้องไปขยายมากแล้วเนาะแต่ต้องการอยากจะให้รู้ว่านี่ไงพระพุทธเจ้ามีตรงนี้แหละพระองค์ถึงรู้ทะลุทะลวงและทําไมพระองค์จึงรู้ว่าเลือดหลั่งไหลาจากคอสัตวนะ์มากกว่า น, น้ําในมหาสมุทร จะได้ไปไปไปรับรองกันถ้าอย่างนั้นสัตว์โลกก็จะไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามีพยานพิพิเศษแบบนี้นอกกนั้นไม่มีคนยุคนี้ไม่มีไม่มีคนในยุคนี้ไม่มีเพราะสัตว์ในโลกนี้ที่ยิ่งปุถุชนได้แล้วห่างไกลมาก ไม่ใช่ฐานนะต้องเชื่อท่านอย่างเดียวต้องเชื่อท่านอย่างเดียวเราจะรู้ทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าพยานหประการนั้นสังเบ็ดขึ้นมาด้วยอะไรด้วยอรหัตามรักด้วยความเป็นป้าอรหันต์ของพระพุทธเจ้านั้นนะประการต่อมาก็คือที่ประจักษขู่ยานที่ประสต่ายานเป็นต้นแล้วก็ปุเพนิวาสารนุสติยานเนาะในคำภีต่างๆนะแล้วก็ อยูตประาตยานแล้วก็อาสวัคยายานของพระพุทธเจ้านั่นเืาเรียกพุทธยานทีนี้ในรายละเอียดตรงนี้ไม่ตามไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสัพพัญยุตยานา น, านาวรณยานนี่นะที่ยานไม่สามารถมีอะไรมาขัดขวางได้ในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักถ้าต้องการอยากจะศึกษาเรื่องพยานเหล่านี้มีเยอะมากอินทรียปรโปรปริยติยานยานที่กาหนดความยิ่งและความอ่อนของอินทรียของสัตว์ทั้งหลาย มหากรุณาสมาปัฏิยานก็คือพยานที่พระองค์มีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกอาสัญนุตยญาณก็คือรู้อนุสัยอัธยาศัยของสัตว์ยมกับ ป, ปฏิหาริยญาณก็คือการแสดงปฏิหาริย์ที่เป็นคู่คู่อะไรเนี่ยอันนั้นก็ไปดูในรายละเอียดทีนี้เมื่อวานนี้พูดในเรื่องของวิชาเนาะเขาแปลว่าความรู้หรือความรู้แจ้งก็ได้แก่ ป, ปัญญาที่ทําให้เข้าใจสภาวะธาตุมังลายถูกต้องตามความเป็นจริง ในคำพีปรมตัตถทันชุษาดีกาเนี่ยนะของวิสุทธิมรรคเนี่ยท่านใช้คาว่าอัตโนปฏิปักขัดะวิชนะเทนะวิชาก็แปลว่าเชื่อ ว, วิชาเพราะมีความหมายว่าทิมแทงทรรมที่เป็นปฏิปักวิชานี่นะคือทิมแทงธทรรมที่เป็นปฏิปักหรือที่ชื่อว่าวิชาเนี่ยเพราะมีความหมายว่าทาลายกองมืดกองมืดกองมืด ทำลายกองความมืดอะไรคือกองของความมืดคือโมหะนั้นวิชามีแปดวิชาแปดนั้นทําลายโมหะอวิชาแปดมีอะไรวิชาแปดมีอะไรวิปัสสนาญาณคือปัญญาที่ไปแยกแยะเห็นรูปนามโดยความเป็นปัจจาลักษณะและสามัญลักษณะเ อ, ะอิทธิวิธินี่ก็ต้องทําลายความมืดได้ใช่ไหมแล้วก็อะไรทิพโสตะใช่ไหม หูทิพย์เนี่ยปกติมันมืดเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงสัตว์หรอกโมหะมันปิดใช่ไหมโมหะมันปิดเคยได้ยินเสียงพรมคุยกันไหม <c oughs> เราไม่รู้หรอกนกมันนะกำลังคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่มีหูทิพย์ไม่รู้ว่าเทวดาท่านกําลังคุยอะไรกันหรอกแต่ถ้าคนมีหูทิพย์มันเขหูทิพย์เนี่ยที่จะต้องเป็นไปกับวิปัสสนาปัญญามจะเห็นโทษของสังสารวัฏ แต่ถ้าหูทิพย์ที่ไม่เป็นไปกับวิปัสนาปัญญานี่ะยิ่งเห็นก็ยิ่งมืดยิ่งบอดเอางี้ถ้าหากว่าได้ยินของสัตว์นรกร้องจะกลัวไหมแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นวิปัสนาปัญญาเกิดขึ้นมันจะเห็นโทษในสังสารวัฏหนักขึ้นไหมนี่ไงเขา้าใจยังอย่างเราเนี่ยที่มีโมหะมากยิ่งไปรับรู้อะไรมากก็ยิ่งพอกพูนโมหะมาก เพราะเราไม่มีวิปัสนาปัญญาคนที่มีวิปัสนาปัญญานี่นะรู้เรื่องมากเขาก็ยิ่งถอนตนออกจากทุกข์ได้เร็วเข้าใจยังไงตัวเนี้ยฉะนั้นคนที่เขาอย่างเราถ้าลองไปมีหูทิพย์เนี่ยยุ่งเลยเราจะติดแน่นในตอของในวัฏานอีกนานเลยอ่พะพอไปมีหูทิพย์มีตาทิพย์เนี่ย ยิ่งเป็นโทษหนักใหญ่ไปเห็นสิ่งประหลาดประหลาดเนี้ยมาคุยใหญ่เลยใช่ไหมแต่ท่านเห็นแล้วท่านสะดุง้งท่านกลัวภัยของวัฏฏะเพราะท่านมีวิปัสสนาปัญญาเป็นไปกับการเห็นเป็นไปกับการได้ยินเป็นไปกับการแสดงอิทธิฤทธิ์เข้าใจหรือยังว่าพุทธประสงค์ทำไมแสดงวิปัสสนาญาณก่อนเป็นข้อแรกในวิชาแป วิชาแปดเนะี่ยเป็นไปเพื่อความสะดุ้งสะเทือนเป็นไปเพื่อเหงทโทษของสังสารวัฏไม่ใช่เป็นเป็นไปเพื่อการเห็นคุณของสังสารวัฏมากและในที่ผ่านมาเนะี่ยมีใครเอาวิชาแปดมาอธิบายให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งไหมต้องอธิบายอย่างนี้ถึงจะเห็นใช่ไหมต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ พระพุทธเจ้าอาธิบายไว้แล้วไม่ยอมอธิบายตามท่านพระธรรกทัศนีกาจาร์ท่านอาธิบายมาแล้วแต่เราไม่ยอมพยายามเข้าใจว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ของท่านคือพวกเราเนี่ยต้องให้ท่านพูดซะทุกเรื่องทั้งๆ ท, ที่ท่านพูดไว้ก่อนแล้วว่าชาติใช่ไหมในสัมมาสมพุธโธเนะี่ยท่านพูดไว้แล้วว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุ ก, ท, กทุกเรื่องไว้หมดแล้ว ใชไมน่าจะสะดุ้งสะเทือตั้งแต่คำว่าสัมมาสัมพุโทโธน่าจะเห็นโทษของสังสารวัฏตั้งแต่ทางนั้นแล้วพอมาพูดวิชชากับจรณะขึ้นมาเนี่ยก็ยังต้องให้ท่านกลับไปย้ำใหม่ทำไมไปทรมานด้านขนาดนะั้นเราเนี่ยทำให้พุทธเจ้าลำบากทำให้พาหาระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายลำบากทำให้ครูาบาอาจารย์ลำบากมองเห็นไหม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพายะทารุจริยาไม่เคยไม่ได้ทำให้ตถาคตลำบากเลยใช่ไหมตัดสี่ประโยคไม่กี่คำเนี่ยท่านพายะบรรลุใช่ไหมเราต้องตั้งอัธยาศัยใหม่ต่อไปเนี่ยเราจะไม่ทำให้พระพุทธเจ้าในอนาคตต้องลำบากเพราะเรายิกกขผ่านมาไม่รู้กี่ล้านองค์แล้วเนี่ย ทำไมพระ อ, องค์ปวดเราไม่ขึ้นถอนเราจากลมไม่ได้มันเป็นโทษเพราะเราไม่ยอมเงี่ยโสดสดับตั้งจิตรับรู้มึงใช่ไหมต้องกลับไปดูใหม่ที่มันอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมต้องไปดูในไหนในมัชฌิมานิกายอ่ะในคัมภีร์มัชฌิมานิกายเนี่ยต้องไปดูในมัชฌิมานิกายเนี่ย ท่านพูดเกี่ยวกันในเรื่องของในกีกตาคิริสูตรในมัชชิมานิไกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรการตั้งอยู่ในอรหัตผลการตั้งอยู่ในอรหัตผลการจะบรรลุอรหัตผลการจะบรรลุได้เนี่ยด้วยการศึกษาโดยลําดับด้วยการกระทําโดยลําดับด้วยการปฏิบัติโดยลําดับ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 เมื่อทรงจำธรรมนั้นแล้วย่อมพิจารณาเนื้อความเห่งธรรมที่ทรงจำนั้นไว้เมื่อพิจารณาเนื้อความนั้นอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อความเพ่งพินิจเอาธรรมเหล่านั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเอาสัมมาสัมพุโทโธมาเพ่งระดับแรกเพ่งโดยอารามานูปนิชาน พิจารณาเห็นคุณของคําว่าสัมมาสัมพุโทโธให้จิตเป็นสมาธิให้เป็นสมถะให้จิตนิ่งให้จิตสงบเมื่อเพ่งอย่างนั้นเบ็ดเสร็จแล้วต่อมาเมื่อจิตสงบเกิดปลาโมดปีตีปัสถิความสุขสมาธิแล้วต่อมาเอามาเพ่งโดยลักขณูปนิชานให้เกิดวิปัสสนาปัญญาเข้าไปทังตลอดว่าสภาวะความสงบนิ่งที่มีพุทธคุณเป็นอารมณ์เป็นต้น